คุณแต่มเป็นไงบ้างใจเป็นไงใจใจิตใจขณะนี้เป็นไงมันกระจายไปนิดหนึง่งพอดูออกไหม <c ười> คือถ้าเราไปอยู่ตรงนี้นานๆจะขี้เกียจมันสบายถ้าให้เรารู้ทันมันนะว่าสภาวะอันนี้เกิดขึ้น ถ้าจิตเราไปยินดีก็รู้ทัดถ้าจิตเป็นกลางก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่กับภาวะอันนี้ก็ได้แต่ว่าจะอยู่ด้วยความเป็นกลางแต่ถ้าหลงยินดีเมื่อไหร่ก็ติดเลยเพราะว่ามันสบายสึกไม่มันกระจาย <c oughs> <c oughs> คือตัวความตั้งมั่นถ้าใจเราตั้งมั่นมันจะเกิดปัญญาง่ายจะเห็นทุกข์แต่ถ้ามันอย่างนี้มันสบายสบาย ก็จะไม่ยอมเดินต่ อ, อเบอร์สามสิบเป็นยังไงอะไรนะดีแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็ดีแล้วคุณแต้มดีนะดีแล้วคือที่บอกคุณแต้มไม่ใช่ว่าทำผิดนะเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นขึ้นมายุ่งอีกที่บอกให้ก็คือให้รู้ทัน สภาวะนี้เกิดขึ้นถ้าเรายินดีพุ๊บเราจะติดแต่ถ้าเรารู้ด้วยความเป็นกลางนะใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยดีแล้วละ่ะดนหลวงพ่อพูดนั้นนึกว่าทำผิดเนี่ยจะไปรื้อทำใหม่เมื่อสามสิบใคหนีไปแล้วดีแล้วนะึกไปมีปัญหาอะไรไหมไม่ค่อยได้ได้รู้สึกตัวเท่าไหร่ก็เลย เผือนานแล้วก็บ่อยด้วยค่ะก็ดูนะดูไปดูบ่อยๆดีแล้วอาคุณน้นไม่คอยติดครับย<ฮ>ังสตาร์ทไม่ค่อยติดครับรู้สึกมีโมหะบ้างแล้วก็ใจฟุ้งซ่านนิดหน่อยครับรู้สภาวะได้ก็ดีแล้วนะไม่ใช่ว่ารู้สภาวะเพื่อคาดหวังอันใดอันหนึ่งไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไรหรอก เราหัดรู้สภาวะเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งมันอยู่ชั่วคราวเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับในต้องการเห็นแค่นี้เองไม่ได้ต้องการมากกว่านั้นนี่นักปฏิบัติต้องใจถึงถึงนักปฏิบัติส่วนมากติดดีติดดีติดสุขติดสงบเมื่อไหร่ภาวนาแล้วดีสุขสงบมันก็พอใจถ้ามันรู้สึกยังไม่ดีไม่สุขไม่สงบจยดินด้นดินด้นดิน้นยิงย่งดิ้นยิ่งแย่นะ ให้รู้ไปเรารู้สภาวะทั้งหลายเพื่อจะได้เห็นว่ามันเกิดแล้วดับไม่ใช่เพื่อเอาอะไรสักอย่างเดียวรู้แล้วก็สิ่งที่ได้มาคือได้ความเข้าใจได้ปัญญามาดาวเป็นไงอืเออรู้ทันมาจงใจล้วดีแล้ว แม่เรียนที่หลวงพ่อนะ่อะไรก็ดีหมดเลยมารายงานบอกกี เ, เิยเยอะก็ว่าดีนะออมาบอกว่ารายงานบอกจิตตั้งมั่นก็ดีอีกแล้วมันดีตรงที่มันเห็นสภาวะมันจงใจขึ้นมารู้ว่าจงใจก็ดีละอืคุณแต้มดีนะใจมันตื่นดีละตื่นได้ดีละคุณใหญ่เป็นไง หลังจากที่กลับจากวัดไปอะค่ะก็รู้สึกว่าสบายขึ้นนะคะหลวงพ่อปฏิบัติได้สบายขึ้นค่ะเมื่อสบายอย่างมากก็อาทิตย์เดียวเนะี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วนะธรรมชาติของมันเสื่อมงั้นถ้าเราฝึกเอาสบายนะเราก็จะสบายบ้างลำบากบ้างไปเรื่อยๆล้วฝึกให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงถ้ายิ่งดูไปก็ยิ่งเกิดปัญญานะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาจะบอก ด้วยความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจงั้นมันไม่สบายหรือมันสบายก็เสมอกันสบายก็ไม่เที่ยงไม่สบายก็ไม่เที่ยงง่ายนะจริงง่ายที่สุดเลยถ้าปฏิบัติไม่ได้คิดจะเอาอะไรเนี่ยง่ายถ้าปฏิบัติคิดจะเอาหรือยากเพราะสิ่งที่เราอยากได้อยากเอาเนี่ยรวนแต่ฝืนไตรลักทั้งหมด เช่นอยากให้จิตดีถาวรหยอยากให้มันสุขถาวรมันฝืนใจรักยังไงก็ยากเพราะไม่มีทางทำได้แต่ถ้าฝึกเอาความรู้ความเข้าใจรู้ระวางรู้ระวางไม่มีอะไรวันหนึ่งเข้าใจความจริงใจก็วางวางสนิทเลยไม่ไปหยิบมาอีกก็สบายใช่จันจุนอยู่ไกลกันเนาะ คือเห็นหน้าทุกวันเสาร์่้ตายตายช่วงนี้รช่วงนี้รู้สึกว่าใจมันจะเอ่อเหมือนมันมันมันไม่ค่อยยอมอะค่ะคือเห็นสภาวะแล้วมันรู้สึกเหมือนอยากให้มันเห็นบ่อยๆหรืออะไรพวกนี้ตลอดก็รู้ทันมันมันอยากสภาวะของความอยากเกิดรู้ไปดีแล้วคุณหมูอะ กลับจากวัดไปก็แย่ๆลงครับหลวงว่าครับอะไรนะอ่ะพอหลังจากกลับจากวัดช่วงนั้นก็ดูว่ามันมันไม่รู้สึกดีเหมือนอยู่วัดนะครับแต่ว่าก็เห็นทุก์ที่เคยเคยแย่กับมันตอนนี้มันไม่ได้แ้บเท่าไหร่ครับก็รู้ทันบ้างครับดีแล้วรู้ไปอไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสงบนะ ถ้ากาจะสุขจะดีจะสงบทุรักทุกกเลล้มลุกลุกคลาลตลอดชีวิตแหละจะฝึกเอาความรู้ความเข้าใจทุกอย่างชั่วคราวนะทุ ก, ก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะอย่าละเอียดภายในภายนอกของชั่วคราวทั้งหมดฝึกไปแล้วในที่สุดใจจะเป็นกลางกับโลกคําว่าโลกก็คือขันท่ากายกับใจเราเป็นกลางเป็นกลางแล้วไม่ทุกข์ละ คุณชาตพรส่งกันบ้านจันจุนดีใจก่อไปกับงานเยอะอ่ะแล้วก็ก่อไปกับอารมณ์เยอะก็ขยันดูนะคำว่างานเยอะเป็นข้อแก้ตัวของนักปฏิบัติงานเยอะงานเยอะก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำนะงานเยอะอย่างใจเราเครียดเรารู้ว่าเครียด งานเยอะแล้วใจเรากระจายออกไปรู้ว่าใจกระจายออกไปงานเยอะเราก็เห็นเลยใจมันก็ปรุงแต่งไปดิ้นรนไปเรื่อยๆพอางานใกล้จะเสร็จก็ดีใจงานรีบทุรนทุลายเราก็รู้ไปงานเยอะก็ทำได้นะแต่ถ้างานเยอะก็ทำสมาธิยากทำมาความสุขความสงบความสบายทำยาก ทำอาวิปัสสนาไม่ยากอะ่ะใจมันฟุ้งอยู่กับงานรู้ว่ามันฟุ้งไปกับงานรู้อย่างที่มันเป็นสบายจันจุนนะจันจุนเกรงหรอครับท้าเกรงก็รู้ว่าเกงรงนะแล้วก็รู้ได้เรื่อยๆครับดีแล้วจันจุนที่ทาอยู่ดีนะทั้งสอง ค, คนอะ่ะดีแล้ว ค, คุณชาตพออนใจมันถลำแต่ข้างนอกนิดนึ่งท่านดูออกใช่ไหม หลวงพ่อครับเวลาเจอผัสสะแรงๆงเนี้ยมันยังหนีอยู่อะครับมันอะไรนะมันหนีอะครับมันหนีครับมันหนีเพราะมันรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วเนี้ยก็อยากหนีถ้ารู้ทันน้าก็ไม่หนีหรอกถ้าเราไม่หนีมันมันก็หนีเรานะเพราะมันของไม่เที่ยงอย่างบางคนบอกเป็นทุกข์โอ๊ยทำยังไงจะหายทุกข์ไม่ต้องทำอะไรหรอกอย่าไปทำอะไรสิเราหายทุกข์เลย ยิ่งถามยิ่งถุกอคุณนุวิทย์เป็นไงเยี่ยมท่านอาจารย์ที่นี่ยังไม่ได้มาอะไรนะมามาเยี่ยมท่านอาจารย์เฉยมาเยี่ยมก็ดีละมาไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่สารภาพแต่ว่าเข้าใจอาจารย์ที่ท่านอาจารย์พูดถึงก็พยายามอยู่ครัแต่ว่ามันกิจยังสมบูรณ์ไม่เข้าใจสิ่งที่อาจมาพูดนะไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอก เรต้องเห็นใจของเราเองธรรมะคนโบราณเก่งนะมีคําว่าเข้าใจถ้าธรรมะเข้าถึงใจเนี่ยโอ้มันซาบซึ้งถึงใจจริงๆธรรมะเข้าหัวสมองนะเหนื่อยเข้าๆแล้วฟังๆจำจำเนี่ยนี่ไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วโอ้ง่ายมีความสุขนะไม่เร็วหรอกที่ทําอยู่ทําตัวเยอะไปหน่อยดูไปเรื่อยๆดีแล้ะ ก็พยายามทาอะไรนะพยาาททํี่ดีแล้วดีแล้วที่ทําอยู่อะดีแล้วล่ะอาจารย์บ้างเลยก็มากถามน้อมสักการท่านอาจารย์แล้วก็มีมีอะไรจะถามนิดหน่อยอะอย่างเมื่อกีออกคือแต่เมื่อกี้อาจารย์ก็ได้ตอบคําถามไปเยอะแล้วจากการที่อาจารย์ตอบคนอื่นใช่ไหมคะว่าการทํางานเนี่ยจะเป็น อุปสารคทำให้เราปฏิบัติได้ช้าหรือเปล่าแต่ตอนนี้บางครั้งอะไรที่มันละเอียดมันก็ต้องมีเวลาแล้วก็มีจิตที่เป็นสมาธิพอสมควรที่จะเข้าใจปรากฏการของครรมเผลอไปแล้วเนาะคุยไปเรื่อยเรื่อแล้วเผลอละรู้สึกไหมต้องรู้สึกตัวเรื่อยเรื่อยรู้สึกบ่อยบ่อย <c oughs> ใจของเราชอบหลงไปในโลกของความคิด หลงมากที่สุดคือหลงไปคิดนั่นแหละขณะที่เราหลงไปคิดเรารู้เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติเพราะฉนั้นขณนะนั้นเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้จะลืมกายลืมใจเะฉะนั้นการที่เราหลงไปคิดนี่ศัตรูหมายเลขหนึ่งทำให้รู้กายรู้ใจไม่ได้ศัตรูหมายเลขสองไปเพ่งเอาไว้เพ่งกายเพ่งใจกายกับใจก็นิ่งๆนิ่งๆไม่สแสดงใจรักให้ดู บางคนนะมาบนบอกไม่เจอหลวงพ่อสี่ห้าปีนะเจอหน้าเขานะสอนเหมือนเดิมเปียกเลยก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมนะ่ะห <c oughs> นีไปแล้วอาจารย์รู้สึกไหมรู้สึกไหมเราเริ่มบังคับมัน <c oughs> เริ่มบังคับนะ่ะทำสบายๆอย่าบังคับนะ <c oughs> ทำอะไรอยู่ ฮืมจิตเคลื่อนไปนจิตเคลื่อนไปรู้ทันเป็นยังไง ร, รู้ทันรู้ไปเรืยรู้สภาวะบ่อยๆอาจําสภาวะได้แม่นสติกเกิดเองเกิดทีทีอย่าไปบังคับมันนะบังคับเยอะไปให้รู้เล่นๆเอาอย่างคุณนุวิทย์นะ่ะดูสบายๆต้องสบายนะปฏิบัติเออต้องปล่อยออกมาอย่างนี้ไปตรึงไว้อย่างแต่กี้ไม่เอานะ คืออย่างนั้นเสียเวลาให้มันเคลื่อนไหวจิตใจเราเป็นยังไงเรารู้ตามที่มันเป็นสังเกตไหมใจเราไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆรูออกไหมเมื่อกี้ความรู้สึกไม่ได้เป็นอย่างนี้รูออกไหมเนี่ยดูอย่างเนี้ยความรู้สึกทั้งหมดเสมอภาคกันนะเราดูเพื่อให้เห็นเลยทุกอย่างมันชั่วคราวเนี่ยขนาด น, นี้กับตะกี้ก็เริ่มไม่เหมือนกันอีกแล้วรูออกไหมเนี่ดูเพื่อให้เห็นแค่นี้ไม่ได้ดูเอาดีอะไรดรอก ไม่ได้ดูเอาสุขเอาสงบเอาดีอะไรแต่ดูให้เห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวดูไปเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยดูไปอย่างนี้ทำไมเราต้องรู้จักใจที่หนีไปคิดพาเรารู้จักว่าใจเราหนีไปคิดเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันถามว่าเราฝึกเพื่อให้ตื่นหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ได้ฝึกเอาตื่นนะธรรมดาคนทั้งโลกเนี่ยหลงตลอดเวลา หลงตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงตั้งแต่เกิดจนตายหลงตลอดเวลาแต่เขาไม่เคยรู้ว่าเขาหลงอยู่เหมือนตัวอย่างสมมุติในห้องนี้เต็มไปด้วยคนชั่วหลวงพ่อก็ชั่วเท่าๆพวกเราด้วยในห้องนี้จะหาคนชั่วไม่ได้เลยทุกคนดีหมดเลยเพราะชั่วเท่าๆกันแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกิดมีคนหนึ่งแหลมดีขึ้นมาเกิดคุณนุวิย์ดีกว่าเพื่อนขึ้นมาะที่เหลือมันจะชั่วขึ้นมาทันที สภาวะของจิตก็เหมือนกันถ้าเราหลงอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่รู้ว่าหลงเป็นยังไงเราจะรู้สึกเราไม่ได้หลงอยู่งั้นเราฝึกจนกระทั่งเรารู้จักความรู้สึกตัวใจเราตื่นขึ้นมาตื่นที่เราแว บ, บเดียวนะตื่นแว บ, บขึ้นมาเราจะรู้เลยตะกี้นี่หลงไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นก็อยู่ช่วคราวดับไปอีกกลายเป็นหลงอีกแล้วแล้วสติระลึกรู้อีกหลงก็ดับความตื่นก็เกิดขึ้นมันจะสลับกันในที่สุดปัญญามันจะเกิด จิตจะหลงห้ามมันไม่ได้ะจิตจะตื่นสั่งให้ตื่นไม่ได้ตื่นแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้มีแต่คําว่าไม่ได้ฉะนั้นจิตที่หลงไปเป็นอกุศลกับจิตที่ตื่นขึ้นมาเป็นกุศลเสมอภาคกันนะแสดงไตรลักษณ์เท่าๆกันที่เราต้องเรียนคู่หนึ่งเพื่อจะได้เห็นไตรลักษณนะ์เรียนคู่หนึ่งอย่างจิตมีราคากับไม่มีราคาเรียนหนึ่งคู่ก็ได้จิตมีโทสะกับไม่มีโทสะเรียนคู่เดียวนี้ก็ได้เรียนคู่เดียวก็จะเห็นไตรลักษณ์ละ เพราะฉนั้นธรรมะท่านสอนไม่เป็นคู่คู่ธรรมะแต่ต้องมีการเปรียบเทียบในตัวของมันเองอารมณ์กรรมฐ า, านทั้งหลายสังเกตดูจะไม่ใช่อารมณ์อันเดียวรวดจะเป็นอารมณ์ที่เป็นคู่คู่เช่นหายใจเข้ากับหายใจออกสภาวะโพลานกันยืนเดินนั่งนอนแต่ละอันแต่ละอันนี่สภาวะโพลานกันเป็นสภาวะที่มีการเปรียบเทียบได้ทั้งหมดสุขทุกข์เฉยเฉยเป็นสภาวะที่เป็นคู่เหมือนกัน อันนี้บางคนบอกว่าเป็นชี้นะมีสามานุสุขทุกข์เฉยๆทางเซนถือว่าเป็นสภาวะที่เป็นคู่เพราะไม่ใช่หนึ่งเดียวรวดเป็นคู่ทั้งหมดมีการเปรียบเทียบได้เรียนสุขทุกข์เฉยๆเพืให้เห็นว่าสามารถนี้หมุนกันอยู่ทั้งวั น, นสลับกันทั้งวันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลก็เป็นคู่คู่จิตมีราคะกับไม่มีราคะนี่คู่หนึ่งมีโทสะไม่มีโทสะคู่หนึ่งจิตหลงไปมีโมหะแต่จิตรู้สึกตัวไม่มีโมหะอีกคู่ง จิตฟุ้งซ่านจิตหดหูนี่คู่นสี่คู่ที่เหลือที่ท่านสอนไว้ในสติปัฏฐานนั้นเป็นจิตของคนมีฌานถ้าเราไม่ได้เล่นฌานเราก็ไม่ต้องไปเรียนมันเรียนเท่าที่มันมีนั้นเรียนเป็นคู่คู่เพื่อจะได้เห็นไจรักษณ์อย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยแต่ละรูปแต่ละรูปไม่คงที่ต้องเปลี่ยนนี่แสดงว่ารูปไม่เที่ยงรูปหายใจเข้ากับรูปหายใจออกนี่ไม่คงที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา นี่เรียนเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์นั่นเองไม่ใช่เรื่องประหลาดมหาศจัรย์อะไรไม่ใช่เรื่องบังคับจะเอาเดีเอาวิเศษอะไรนะไม่ใช่เรียนเอาสุขเอาความสบายเอาความสงบไม่ใช่เรียนกรรมฐานถ้าทำนิพพานาเราเรียนเป็นผู้คู่ไปเราก็เห็นมีแต่ความแปรปรวนพอเรียนเห็นความแปรปรวนได้ต่อไปวางได้ มันปล่อยวางได้ปล่อยวางได้พ้นทุกนะพ้นทุกพ้นทุกเพราะปล่อยวางไม่ใช่พ้นทุกเพราะไปฝึกให้มันดีเห็นไหมอาจารย์จิตไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว <c oughs> ดูออกก็ยางนี่แหละดีอย่างนี้เห็นไหมใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรืยเราดูอย่างเป็นกลางเห็นไหมยิจิตเศร้าหมองดูไปมันหายเศร้าหมองมันไม่เที่ยงเนี่ยจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเมื่อกี้เริ่มกลายเป็นจิตที่ค้นคว้าสแสวงหาอีกแล้วแล้วรู้สึกไหม ไม่เที่ยงอีกแล้วเนี่ยดูเพื่อให้เห็นอย่างเนี้ยนะให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ดูเอาดีนะงั้นมาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยลูกศิษย์มารายงานบอกหมู่นี้กิเลสเยอะเราชมอีกนะว่าดีหมู่นี้สงบเรรู้ว่าสงบก็ดีหมู่นี้ซึมซึมไม่ได้เรื่องละเนี่ยะหรือหมู่นี้ไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงนี่ไม่ได้เรื่องถ้ารู้อยู่นะกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ไม่ว่าสักคําเลยดีแล้วที่ทําอยู่ใช้ได้ ใจมันรู้ตื่นขึ้นมาแล้วอา้าววิกส่งกันบ้านก็หมู่นี้กิเลสเยอะครับอะไรนะคือเมื่อคืนก็รู้สึกจิตใจมันโอนละเวงอะครับก็คอยรู้ไปทําอะไรไม่ได้ก็รู้มันไปเมื่อเช้าก็ก็ยังฟุ้งๆอยู่อะครับอืมแล้วขณะเนี้ครับขณะ น, นี้พอพูดเสร็จแล้วดีขึ้นมาอืมดี พูดแล้วดีเื้องพูดบ่อยๆละมั้งแต่พูดบ่อยไม่ได้นะตอนบวชอยู่กับหลวงพ่อเคยบวชอยู่ที่เมืองการจกับลวงพ่อพรรษาหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อไม่อยู่มีโยมมาลุกขึ้นเทศนะฟัง้าพไปเป็นอาทิตย์ตยเลยไม่ใช่พูดแล้วดีตลอดนะธรรมะเนี่อย่าพูดเยอะธรรมะเราไม่ได้เอาไว้พูดนะเอาสั้นในพน เวลานั่งสมาธิเนี่ยก็จะตามรู้ได้ดีเห็นอาการเปิดดับได้ดีแต่ว่าในในในชีวิตประจําวันเนี้นจะตามรู้ได้เป็นเป็นขณะขณะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแต่ว่าเวลาเวลารู้ทันแล้วก็รู้สึกว่าเช่นเวลาลืมไปแล้วเวลารู้ทันก็รู้สึกว่ามั น, ม, นมันกระปี้กระปร่ราขึ้นเออใช่ เวลารู้แล้วมันเกิดรีกระเปล่าถูกแล้วแต่รู้บ่อยๆสมาธิก็ไม่ทิ้งนะสมาธิเอาไว้พักผ่อนเพราะฉะนั้นแต่ละวันเราแบ่งเวลาทําสมาธิพอพักผ่อนพอแล้วเราก็ยังนั่งอยู่ได้นะนั่งดูความเปลี่ยนแปลงอย่างบางคนนั่งหายใจไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆนะทีแรกก็เอาสงบพอใจสงบสบายก็รู้สภาวะไปใจสบายลนะหรือนั่งพุทโธพุทโธนั่งหายใจไปใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน อย่างนี้ก็ใช้ได้นะคือถ้ามันไม่ยอมสงบนะก็เอาปัญญามันไปเลยนะงั้นตอนที่เรานั่งภาวนาอยู่เนี้ทําสมาธิก็ได้ทําปัญญาก็ได้นะแล้วแต่แต่ละจังหวะไหนพอเหมาะกับอะไรก็เอานั้นแหลนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เวลาปฏิบัติไปแล้วบางทีรู้สึกว่าเมื่อสงบสงบรู้สึ ก, มสกไม่ค่อยอยากจะพูดเออไม่ค่อยอยากจะพูดเลยก็ใครดีแล้วเราค่อยดู แต่ตรงที่ที่จิตเป็นตอนนี้นะซึมมากไปนิดหนึง่งจิตติดความสงบมากไปติดสมถะเยอะไปนิดนึงถ้าจิตไม่ได้ติดสมถะมันจะตื่นอยากกับปรีก้กระเป๋าถ้าจิตไปติดสมถะมันจะซึมซึมไม่อยากยุ่งกับใครฝากไปดูตรงนี้นะถ้าติดเรารู้ทันมันก็ไม่ติดอ้คุณกนิษฐา ทางจากหลวงพ่อไปเพราะว่าไม่สะดวกมานะคะหลานติดไปอบรมไม่มีเพื่อนมาหลานความประพฤติไม่ดีต้องไปอบรมไปอบรมก็ไปอบรมก็เลยไม่มีเพื่อนมาอก็ดูที่บ้านเห็นความทุกข์แทบจะทั้งหมดนะคะชีวิตไม่มีความสุขจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดต้องความสุขอยู่ข้างหน้าเห็นแต่เวทนาที่ได้รับการบําบัดเท่านั้นอืดีแล้วนะ ดูลงไปกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะความคิดนึกปรุงแต่งก็อีกส่วนหนึ่ง<ม>ดูไปขันไม่ก็กระจายออกไปแต่ละขันก็ทํางานของขันไปไม่มีเราไม่มีค่ะไปดูพระค่ะพระเฉลิมในหลวง60ปีก็ไปดูได้ที่ดีมากก็เห็นเดี๋ยวนี้ไม่เห็นพระไปเห็นเกิดดับเกิดดับเป็นพันเหมือนๆโูดีสุดท้ายเห็นสวนยะตาเห็นมันติด เราคลุกไม่มีกลับมาถ้าอย่างนั้นอย่าลืมถวายพระราชกุศล <c oughs> จิตเราเป็นกุศลใหญ่หก็สวนยาตาที่จะรดินไปหมอกฟันรลืนก็ไปกับผิวโลกสุดท้ายก็เหมือนฉาก เ, เออไม่มีอะไรดีแล้วดูไปงั้นเลยดูภายนอกก็ดูภายในภายในก็ว่างเปล่าไม่มีตัวมีตัอะไระคุญสลัญญา บางช่วงรู้สึกว่าบางวันเขาสองสามวันบางทีเขาจะดูรู้ตัวได้แบบรู้บ่อยอะค่ะแต่บางช่วงถ้ายุ่งๆทีลืมหายไปธรรมดานะก็ช่วงที่รู้ที่ว่าสองสมวันรู้บ่อยนี่มันไม่ค่อยมีมากะคะ่ะอืมไม่ทราบว่าช่วงที่ปฏิบัติอย่างนี้ขนาดนี้เผลอไปแล้ว ข, ขนานี้เผลอไปละลงไปแล้วรู้ลงปัจจุบันเรื่อยๆต้องฝึก วิธีที่จะทําให้เรารู้ตัวได้บ่อยในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือต้องหารูปแบบของการปฏิบัติมาสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่นะใครจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้อยู่กับขยับมืออยู่กับอิริยาบถสีก็ได้อะไรก็ได้แต่ทุกวันต้องซ้อมคล้ายๆนักมวยซ้อมโชกกระสอบอ่ะเป็นแชมป์โลกก็ชกกระสอบนักปฏิบัติก็ชกกระสอบเหมือนกัน อารวมกรรมฐานอันนึงขึ้นมาแล้วก็หัดดูสภาวะไปเรื่อยๆเช่นบางคนดูท้องพองยุบไปพอจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ทันฝึกรู้ทันสภาวะคนไหนรู้ลมหายใจก็รู้ไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ฝึกรู้สภาวะทุกวันต้องซ้อมนะถ้าซ้อมทุกวันทุกวันเนี้จะชํานาญ ยำสภาวะได้มากยำสภาวะได้แม่นพออยู่ในชีวิตประจําวันสติจะเกิดเองไม่ต้องเชิญให้เกิดนะจะเกิดเองเพราะว่ามันรู้แล้วนี่จิตไหลไปคิดปุ๊บมันเคยดูอยู่ทุกวันซ้อมอยู่เนี่ยไหลแวบบเห็นแล้วมาอยู่ในโลกธรรมดาเนี่ยพอใจเคลื่อนแว บ, บเลยมันเห็นแล้วสติมจะเกิดนะใจมันจะตื่นขึ้นมามนจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราทํางานของมันเองดังั้นต้องฝึกซ้อม ต้องมีอารมณ์กรรมฐานอันใดหนึ่งเป็นเครื่องอาศัยเครื่องอาศัยเครื่องอยู่นี่ถ้าเรียกว่าวิหารธรรมวิหารติวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นักปฏิบัตินะมือใหม่นะก็ต้องอาศัยเครื่องอยู่ถ้ามือเก่าปฏิบัติเสร็จแล้วก็อาศัยเครื่องอยู่เป็นเครื่องเจริญสติเครื่องเจริญสมาธิเอามาไว้อาศัยก็อยู่นื่องการปฏิบัติเราทําทั้งชีวิตไม่เลิกหรอก ต้องซ้อมนะมีเครื่องอยู่อันหนึ่งเราซ้อมไปใครขยับมืออย่างสายลงพ่อเทียนก็ได้ขยับขยับมีสิบสี่จังหวะขยับข้างหเจ็ดจังหวะฝึกเดินหกจังหวะเจ็ดจังหวะก็ได้เดินไม่มีจังหวะก็ได้เดินรู้สึกกายทั้งกายเห็นรูปมันเดินก็ได้เนี่ยอย่างนี้รู้อิริยบทสี่รู้อิริยบทใหญ่อิริยาบถย่อยอะไรก็ได้นะรู้เวทนาก็ได้าสายท่านโกเอนก้ารู้เวทนา น, นี่จะดูจิตดูใจเอาก็ได้อะไรก็ได้เป็นเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งเราซ้อมซ้อมดูทุกวันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินโงกลมซ้อมอารมณ์กรรมฐานของเราให้ชำนิชำนานถ้าสภาวะอะไรแปลกปลอมแวบรู้ทันแวบรู้ทันเรื่อยๆอไวสติจะเกิดบ่อยเราจะสามารถหลอมรวมการปฏิบัติคือการเจริญสติเข้าในชีวิตประจาวันได้ ถ้าใครยังแยกการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิตประจำวันนะอย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยชี้โม้ไม่มีทางหรอกชาตินี้ยังไม่มีหวังแต่ถ้าใครสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตประจำวันได้ไม่ต้องพูดถุนกันพูดมากก็โม้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหลอมรวมการปฏิบัติการเจริญสติเข้าในชีวิตประจำวันได้เนี่ยมรรคผลนิพพานอยู่แค่เอื้อมหยุดเอื้อมเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นะ่ะ ไม่ใช่เอื้อมเราได้นะอยู่เอื้อมเมื่อไหร่ได้เมื่อ น, นั้นแหละหลายคนแยกชีวิตเราเป็นสองส่วนเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้เป็นเวลาหลงโลกแยกชีวิตเป็นสองส่วนอย่างนี้อีกนานไม่มานานหลวงพ่อเคยเล่าช่วงหลังๆนะสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยเหยมีห น, หนุ่มคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อมันนั่งอยู่ตรงประมาณแถวที่สามเนี้ยใกล้ๆอาจารย์เนี้ย อยู่ก็ถามหลวงพ่อบอกว่าอยากเดินจงกลมจะเดินยังไงหลวงพ่อก็ถามบอกว่ากล้าไหมกล้าออกมาเดินข้างหน้านี้ไหมคนวันนั้นเต็มห้องเลยนะคนเป็นร้อยเกินร้อยร่วมสองร้อยได้มั้งเอ้ยนี่กล้านะหนุ่มนี่กล้าใจถึงอย่างนี้น่ารักมากนะักปฏิบัติต้องใจถึงสมัยก่อนครูบาอาจารย์เดินกับเสือเสือนั่งอยู่แล้วท่านกล้าเดินเขาเราแค่นั่งให้คนดูยังไม่ค่อยกล้าเดิเออมาเดินให้คนดูยังไม่ค่อยกล้าเลยเห็นไหม คนนี้กล้าก็ลุกออกมาลุกออกมาค่อยๆแหวกคนนะแหวกออกมาบอกใช้ไม่ได้แล้วตอนที่ขยับขยืน่นเคลื่อนไหวออกมาเนี่ยไม่มีสติเนี่ยทําไมถึงไม่มีสติเพราะคิดว่าตอนที่กำลังแหวกคนเดินออกมาเนี่ยยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติยังไม่ใช่เวลาเดินจงกรมนี่ใช้ไม่ได้มีเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติ ด, ด้วยเพราะฉนั้นเอาใหม่เดินมาด้วยความรู้สึกตัวก็เดินรู้สึกตัวมาอย่างดีเลยนะใช้ได้พอมาสุด ต้นทางเขาเรียกหัวทางจงกรมสิ่งที่ทําคืออะไรวางฟอร์มบังคับกลายบังคับใจนี่ผิดอีกแล้วสุดตรงอีกข้างหนึ่งแล้วข้างบังคับตัวเองตอนที่เดินมาทีแรกก็สุดตรงข้างหลงนะพอเข้าถึงเวลาปฏิบัติสุดตรงข้างบังคับตัวเองใช้ไม่ได้อีกแล้วนจิตมีแต่สุดตรงสองข้างนะแค่จริงการปฏิบัตินะทุกก้าวที่เดินด้วยความมีสตินั่นแหละคือการปฏิบัติแหะคือการเดินจงกรมแหละ งั้นเดินจะข้ามถนนเดินอะไรนะมีสติอยู่ก็เรียกว่าเดินจงกรมอยู่เดินกลับไปกลับมาอยู่แล้วขาดสติหรือเดินเพ่งไปเรื่อยๆนะไม่ได้เดินจงกรมจริงะเดินรับขาดสติก็เรียกเดินเรื่อยเปื่อยเดินแล้วก็เพ่งเอาเพ่งเอาแข็งทื่อๆขึ้นมาเรื่องเดินทรมานกายเดินให้เมื่อยเล่นเนี่ยไม่ได้อะไรได้แต่ความอดทนก็ได้เหมือนกันนะได้ความอดทนได้สัจจะจะเดินสามชั่วโมงแล้วเดินได้จริงๆก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ได้ปัญญา เพราะนจะเป็นนักปฏิบัติเนี่ยอย่าแยกการปฏิบัติออกจากชีวิตธรรมดาของเราทุกขณะที่นั่งอยู่รู้สึกตัวทุกขณะที่เดินคอ ร, รู้สึกตัวเท่าที่ทําได้ใจจะหลงแวบแวบช่างมันแต่ว่ามันจะรู้ได้บ่อยถ้าฝึกซ้อมอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้ช่องซ้อมถ้าซ้อมมันจะรู้สึกบ่อยอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองแล้วนะจะพบว่าการปฏิบัติง่ายที่ง่ายเพราะไม่ได้ปฏิบัติ จิตมันทำอะไรกายมันเคลื่อนไหวสติปัญญามันเกิดเองมันรู้เองรู้สึกไหมเสียงระครังหล่นใจเราก็หล่นไปตามระครังรู้สึกไหมจริงๆไม่ได้มีอะไรยากนะการปฏิบัติหัดรู้สภาวะไปหัดรู้กายหัดรู้ใจไปอย่าใจลอยอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจแล้วก า, กายใจก็จะแสดงใจรักให้ดูเมืนใดเห็นนะกกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรานะจะได้พระโสดาบันมันใดหมดความยึดถือกายได้พระนาคามีมันใดหมดความยึดถือจิตเขาสมมุติเรียกว่าพระอราหันต์ทำไมเขาวนี้ใช้คําว่าสมมุติพระอราหันต์ไม่รู้สึกว่าตัวเงเป็นพระอราหันต์นะหันซ้ายหันขวาแล้วก็ใช่ล่ะฉันเป็นพระอราหารนะันต์แล้วทไมไม่รู้สึกว่าเป็นพระอราหารันต์ตอบได้ไหมเพราะมันไม่มีอะไรมีแต่สุญญาตา นี่หลวงพ่อถามพ่อรู้ว่าตอบได้เดี๋ยวเราพักก่อนนะรับถอนนะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปทานข้าวถ้าใครมาที่นี่บ่อยๆนะต่อไปพอได้ยินเสียงระฆังจยน้ยนหลายไหลยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีซาคารังเอวามวายโตทินนางเปตานางปกปติ อิชิตังปฏิตังทุมหังกิปะเมวาสมิฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนารโสยธามณิโชติราโสยธาสัพีติโยวิวัตชันตุสัพรโรคโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิตจังุทาปจายิโนจะตารูธรมาวัทันตียยุวันโนสุขัง พะลังพรวัตุสัพพังคลางรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสัพพัมมานุภาเวนาสัพพสังขานุภาเวนาสดาโส